บทที่แปดสิบแปดไปชั้นเพนที่นนทบุรีเ <location noise> วลาบ่ายสามโมงของวันรุ่งขึ้นพระอุดมวิชาญาณเดินทางไปวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยเรือหางยาว ต้องเดินจากวัดมหาธาตุไปขึ้นเรือที่ข้างสะพานพุทธพระเจริญรู้จากเส้นทางดีด้วยว่าเคยนั่งเรือมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสวนกุหลาบเมื่อสมัยอยู่บ้านสามกระไดที่บางแวกเรือออกจากท่าทุกครึ่งชั่วโมงเมื่ออาจารย์กับลูกศิษย์ไปถึงก็ได้เวลาเรือออกพอดีจึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยจากสะพานพุทธ เรือหางยาวแล่นไปได้สัก20สบนาทีก็ถึงที่หมายลูกศิษย์กับอาจารย์พากันขึ้นจากเรือพระเจริญหยิบเงินในย่ามส่งให้คนขับเป็นค่าโดยสารจากนั้นจึงเดินตามเจ้าคุณอาจารย์ไปยังกุฏิเจ้าอาวาสวัดปากน้ำหลังจากไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่คณะที่ห้าวัดมห า, าธาตุแล้ว หลวงพ่อสดใช้เวลาในการโปรดญาติโยมให้น้อยลงโดยลงรับแขกชั่วโมงเดียวคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงต่อจากนั้นก็สงน้ำแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักวัดมหาธาตุเคยเดินทางไปให้เจ้าคุณโชดกสอบอารมณ์ให้ที่คณะหแต่ภายหลังท่านเมตตามาสอบอารมณ์ให้ถึงที่วัด โดยมาวันเว้นวันเมื่อพระอุดมวิชาญาณกับพระเจริญมาถึงกุฏิของหลวงพ่อสดท่านเจ้าของกุฏิกาลังเดินจงกรมอยู่ภิกษุทั้งสองก้มลงกราบผู้อาวุโสกว่าและชจุมพากันนั่งในที่อันสมควรเจ้าคุณอาจารย์พูดกับหลวงพ่อสดว่าวันนี้ผมมากับลูกศิษย์คนใหม่ครับหลวงพ่อลองดูสิครับว่า เคยเห็นหน้าคาตามาก่อนหรือเปล่าท่านพูดแบบเป็นกันเองหลวงพ่อสดมองหน้าลูกศิษย์ก็จําได้จึงบอกเจ้าคุณอาจารย์ว่าคนนี้หรือครับลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณดูเหมือนผมจะจําได้ว่าเขาเคยมาเรียนธรรมกายที่วัดนี้แต่ยังไม่ทันจบก็กลับวัดเสก่อนเลยไม่ได้เรียนธรรมกายกลับไปพระหนุ่มจึงต้องกราบเรียนว่า ได้แล้วครับหลวงพ่อผมได้ธรรมกายในรถเมย์ครับขาสัน่นพับเพราะเมื่อยไม่มีใครลุกให้ผมนั่งเลยรถก็ติดเป็นชั่วโมงเพราะตรงกับเวลาสะพานเปิดแต่พอผมได้ธรรมกายคนลุกให้นั่งกันใหญ่พร ะ, จะเจริญเล่าประสบการณ์ในครั้งกระโ น, น้น อ, อ๋อได้แล้วหรือและทำไมถึงหันมาสนใจวิปัสสนาละ่ะ หลวงพ่อสดถามลูกศิษย์เพราะผมเห็นว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถดับทุกข์ได้ครับส่วนวิชาธรรมกายดับทุกข์ไม่ได้ประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาด้วยเห็นว่าเป็นการไม่สมควรถูกต้องคนมีปัญญาก็ต้องเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงซึ่งไม่ใช่เห็นกันได้ง่ายๆครับ และหลวงพ่อล่ะครับเหตุใดจึงหันมาสนใจวิปัสสนากรรมฐานพระเจริญถามสมภารวัดปากน้ำเราก็เห็นอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละว่าที่จริงแล้ววิชาธรรมกายที่เราสอนนั้นมันช่วยญาติโยมได้เฉพาะในทางโลกคือช่วยให้เข้าร่ำรวยมั่งมีสีสุขช่วยดับทุกจอได้แต่ทุกประจนะําน่ะดับไม่ได้ เพราะถึงพวกเขาจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขปานใดก็ต้องประสบกับทุกประจําก็คือความเกิดความแก่ความตายส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากเราปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะดับทุกประจําได้อย่างเด็ดขาดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกหลวงพ่อสดอธิบาย แล้วหลวงพ่อยังสอนธรรมกายอยู่หรือว่าสอนวิปัสสนากรรมฐานครับผมหมายถึงสอนลูกศิษย์นะครับยังสอนธรรมกายอยู่เรายังไม่อาจสอนวิปัสสนาเพราะตัวเราเองก็ยังเรียนไม่จบหลักสูตรยังต้องศึกษาอีกมากกว่าจะเรียนจบภิกษุสูงวัยบอกเหตุผลแต่ถ้าหลวงพ่อเรียนจบหลักสูตรแล้วหลวงพ่อจะสอนอะไรครับ ระหว่างวิชาธรรมกายกับวิชาวิปัสสนากรรมฐานพระอุดมวิชาญาณถามพระเจรินแอบชื่นชมเจ้าคุณอาจารย์ที่พูดกับผู้อาวุโสด้วยอาการนอบน้อมไม่ได้ถือตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ประการใดผมก็ยังไม่ทราบหรอกครับท่านเจ้าคุณอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้ผมอาจจะตายเสียก่อนเพราะอายุอนามก็มากแล้ว แต่ถ้าพูดตามความสมัครใจของผู้เรียนผมเชื่อว่าคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาอยากรวยอยากมั่งมีสีสุดคงจะเลือกเรียนวิชาธรรมกายกันมากกว่าแต่ถ้าผมพบคนมีปัญญามองการไกลว่าจุดหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีสีสุขผมก็จะสอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้เขาครับหลวงพ่อสดตอบคำถาม โดยยึดความสมัติใจของผู้เรียนเป็นสำคัญจากนั้นการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นโดยพระอุดมวิชาญานเป็นผู้ตั้งคำถามพระเจริญนั่งสังเกตการอยู่ด้วย คำถามที่จะคุณอาจารย์ถามหลวงพ่อสดจะไม่เหมือนกับที่ถามท่านทั้งนี้เพราะหลวงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีวิชาธรรมกายนั้นก็คือสมถกรรมฐานหมายถึงอุบายทำจิตให้สงบขณะปฏิบัติจึงเกิดนิมิตเครื่องหมายมากมายการที่จะสาเร็จวิชาธรรมกาย ผู้ปฏิบัติจะเกิดนิมิต ท, ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้าและเมื่อสำเร็จแล้วก็จะได้อิทธิฤทธิทางใจที่เรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในทางโลกได้เช่นทำให้มั่งคั่งร่ำรวยช่วยดับทุกข์จรได้แต่ดับทุกข์ประจังไม่ได้ดังที่หลวงพ่อสดอธิบาย วิชาความรู้ก็เหมือนดาบสองคมถ้านำไปใช้ในทางที่ผิดก็ทำให้เกิดโทษได้ลูกศิษย์บางคนเรียนวิชาธรรมกายไปแล้วกลับไปยึดติดถือมัน่นเกิดมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดไปว่าอัตตาตัวตนนั้นมีอยู่จึงขัดกับคำสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนว่าสัพเพ ธ, ธรรมา อ, อนัตตา ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดังนี้เป็นต้นขณะเดินจงกรมสมาธิตั้งมั่นอยู่หรือครับเจ้าคุณโชดกถามตั้งมั่นดีครับเจ้าคุณเวลาเดินจงกรมผมสามารถกำหนดสติได้ตลอดในเวลาที่เดินจิตไม่แลบไปหาอารมณ์อื่นเลยผู้อาวุโสตอบแม้พระอุดมวิชาญาณ จะอ่อนวัยกว่าท่านหลายสิบปีหากท่านก็ให้ความเคารพนบนอมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ละครับแล้วเวลานั่งเป็นอย่างไรครับกำหนดพองยุคชัดเจนสม่าเสมอดีหรือไม่ครับไม่ค่อยดีครับการกำหนดพองยุคชัดเจนเฉพาะตอนแรกๆ แ, แต่พอผ่านไปสักยี่สิบนาทีกำหนดไม่ได้เลยครับ มันมีแสงสว่างเจิดจ้าเต็มไปหมดผมต้องทําอย่างไรกับมันครับผู้อาวุโสกว่าถามหลวงพ่อต้องกาหนดครับไม่ต้องไปสนใจพองหนอยุบหนอให้กาหนดเห็นหนอเห็นหนออย่างเดียวกาหนดไปเรื่อยๆจนกว่าแสงสว่างเหล่านั้นจะหายไปลองทําซิครับเมื่ออาจารย์บอกอย่างนี้ หลวงพ่อสดจริงปฏิบัติตามได้การนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งไปสักพักเจ้าคุณอาจารย์ก็ถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อแสงสว่างเต็มหมดเลยครับท่านเจ้าคุณมันเจิดจ้าไปหมดสมภารวัดปากน้ำตอบโดยไม่ลืมตาหลวงพ่อกำหนดสิครับ กำหนดว่าเห็นนอเห็นนอไปเรื่อยๆสมภารวัดปากน้ำทําตามเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงพระอุดมวิชาญาณถามอีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อแสงสว่างหายหมดแล้วครับท่านเจ้าคุณการกำหนดพองยุบก็ชัดเจนขอบพระคุณเหลือเกินที่กรุณาแนะนำ ถ้าเช่นนั้นนี่มนหลงพ่อนั่งต่อไปเถอะครับผมเห็นจะต้องลามารืนนี้จะมาใหม่ท่านพูดกับหลวงพ่อสดและก็บอกกับพระเจริญว่าไปเรากลับกันเถอะอาจารย์กับลูกศิษย์จึงกราบลาหลวงพ่อสดสามครั้งจากนั้นจึงเดินทางไปรอเรือหางยาวเรือเพิ่งออกไปได้สักสิบนาทีจึงต้องนั่งรออีกยี่สิบนาที ขณะที่นั่งรอลูกศิษฐ์ถามอาจารย์ว่าทำไมหลวงพ่อท่านจึงเห็นเป็นแสงสว่างครับทำไมกระผมถึงไม่เห็นเพราะท่านติดนิมิตในธรรมกายนะสิอย่าลืมว่าหลวงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิมิตเครื่องหมายจึงตามมารบกวน ส่วนเธอเมื่อได้ธรรมกายแล้วก็ไม่ได้นําไปสอนใครแล้วก็คงจะไม่ได้นํามาใช้เลยก็ลืมเลือนไปเมื่อปฏิบัติจึงไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมารบกวนโดยเฉพาะแสงสว่างเจิดจ้าอย่างที่หลวงพ่อท่านเห็นแสงสว่างก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ก็มีเหมือนกันที่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมกายมาก่อน พอปฏิบัติวิปัสสนากลับมีแสงสว่างปรากฏในนิมิตเรื่องอย่างเนี้ยพูดยากเพราะคนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันเมื่อมาปฏิบัติสภาวธรรมที่ปรากฏจึงมีแตกต่างกันออกไปแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าอย่างไหนดีกว่ากันครับคือได้ธรรมกายก่อนแล้วมาเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึงมาเรียนธรรมกาย พระหนุ่มอยากรู้คำถามอย่างนี้เธออย่าได้ไปถามพระวิปัสสนาคนไหนเป็นอันขาดนะถามฉันได้คนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นทาไมล่ะครับลูกศิษย์สงสัยเขาจะตำหนิได้ว่าเธอถามไม่ฉลาดนะสิแปลว่าผมถามโง่ๆ อ, อย่างนั้นใช่ไหมครับนี่เธอพูดเองนะ ฉันอุตส่าห์เลี่ยงไปใช้ว่าไม่ฉลาดแทนพระอุดมวิชาญาณตอบยิ้มยิ้มไม่เป็นไรครับกระผมชอบพูดตรงไปตรงมาท่านเจคุณอาจารย์จะลงความเห็นกระผมโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะทางแถวบ้านกระผมมีคําพังเพย อ, อยู่บทหนึ่งว่าโง่อยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องถ้าเป็นท่านชคุณอาจารย์เลือกอย่างไหนครับ เจ้คคุณโชดกหัวเราะหึหแล้วก็ตอบว่าเธอนี่เข้าใจหาเพื่อนนะอุตสาเอาฉันไปเป็นเพื่อนจนได้พระเจริญจึงไหว้ผู้เป็นอาจารย์หนึ่งครั้งแล้วกล่าวว่ากระผมขอขมาลาโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะพูดจาล้อเลียนครูบาอาจารย์แต่ปากมันไวเป็นหน่อยท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่าถือโทษโกรธเคืองผมเลยนะครับฉันไม่ถือหรอก แต่เธอก็ต้องระวังอย่าไปพูดอย่างนี้กับใครโดยเฉพาะอาจารย์แพงขานั้นเขาเถนตรงแล้วก็ไม่ค่อยจะอารมุ่มอลวยให้ใครเจ้าคุณอาจารย์รู้ว่าพระหนุ่มยังน้อยอกน้อยใจอาจารย์แพงอยู่ถึงกับเคยคิดจะไม่กลับไปเรียนต่อเหตุนี้ท่านจึงรับหน้าที่ดูแลและสอนกรรมฐานให้พระเจริญเสียเอง ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ถือกระผมก็ขอคำตอบด้วยครับที่กระผมถามมตตกี้เนี่ยเจ้าคุณโชดกจึงตอบว่าคนที่ได้ธรรมกายแล้วมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมักจะพบอุปสรรคในการปฏิบัติแต่ก็เป็นอุปสรรคเฉพาะตอนแรกๆถ้าเขารู้จักกำหนดรู้เท่าทัานไม่ติดอยู่ในนิมิตเครื่องหมายนั้น ก็จะก้าวหน้ากว่าคนที่ไม่ได้ธรรมกายมาก่อนพูดตามหลักวิชาก็คือธรรมกายนั้นเป็นสมถกรรมฐานผู้ที่ได้สมถะแล้วมาเจริญวิปัสสนาโดยเอาสมถะเป็นบารฐานจะสำเร็จมรรคผลเร็วกว่าคนที่ไม่ได้สมถะมาก่อนแต่ถ้าเขายึดติดอยู่กับสมถะจนเกินไปการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเข้าตำราสมถะเป็นอุปสรรคของวิปัสสนา ส่วนคำถามที่ว่าจเจริญวิปัสสนาก่อนและจึงมาเรียนธรรมกายนั้นน่ะเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดเพราะไม่มีใครก็ทำการถ้าเธอสำเร็จวิปัสสนาแล้วเธอจะมาเรียนธรรมกายไหมท่านย้อนถามลูกศิษย์ไม่ครับถ้ากระผมได้ของแท้แล้วของเทียมก็หมดความหมายนั่นสิคนที่เขาได้วิปัสสนาแล้ว ก็จะไม่เรียนธรรมกายซึ่งเป็นสมถะเพราะได้ของแท้แล้วย่อมไม่กลับมาเอาของเทียมเหมือนเธอว่า20นาทีต่อมาเรือหางยาวจากบางแวกก็แล่นมาเทียบท่าวัดปากน้ำภาษีเจริญอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือและไม่ได้พูดคุยกันอีกด้วยครานที่จะตะเบงเสียงแข่งกับเครื่องยนต์กลับมาถึงคณะห้า ลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็มากราบเรียนว่าหลวงพ่อครับอาจารย์แพงท่านขอให้ผมกราบเรียนหลวงพ่อว่าท่านขออนุญาตกลับบ้านกะทันหันครับเพราะโยมพ่อของท่านถึงแก่กรรมกลับไปตอนไหนเจ้าคุณโชดกถามลูกศิษย์สักครู่ใหญ่ๆนี่เองครับท่านฝากกราบเรียนด้วยว่าให้หลวงพ่อช่วยหาพระรูปอื่นไปแทนท่านวันพรุ่งนี้ด้วยครับ จริงสิพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปชันเพนที่บ้านโยมพองเอาอย่างนี้เธอช่วยไปตามพระเจริญมาพบฉันหน่อยบอกให้มาเดี๋ยวนี้เลยเด็กหนุ่มออกไปสักครู่พระเจริญก็เข้ามาออกสงสัยว่าจ้คุณอาจารย์เรียกหาทำไมเพราะเพิ่งแยกจากกันเมื่อสักครู่นี้เองกราบเบญจางขับประดิบสามครั้งแล้วจึงถาม ท่านจ้คุณอาจารย์มีอะไรจะให้กระผมรับใช้เหรอครับมีสิพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพนที่จังหวัดนนทบุรีจะพาบเข้ามานิมนต์พระจากวัดมหาธาตุเ้ารูปมีคณะสามคณะสี่คณะห้าคณะละสามรูปฉันนิมนต์มหาหนุกับอาจารย์แพงไว้เพอเอินอาจารย์แพงกลับบ้าน พระโยมพ่อถึงแก่กรรมก็เลยให้เธอช่วยไปแทนขัดข้องหรือเปล่าไม่ขัดข้องครับกระผมยินดีรับใช้ประเดจพระคุณขอบใจมากงั้นก็เตรียมตัวนะแปดโมงครึ่งจะออกจากวัดไปขึ้นเรือที่ท่าพระจันเจ้าภาพก็จะมารอรับที่ท่าเรือจังหวัดนนทตอนค่าค่อยไปฟังสวดพระอภิธรรมโยมพ่ออาจารย์แพง ครับกระผมจะตรงต่อเวลาแม่ท่านจะคุณอาจารย์ตำหนิได้เลยครับพระหนุ่มรับคำแข็งขันกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกไปยังห้องของท่าน